การบูชาในพระพุทธศาสนามีอยู่สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าอมิสซบูชารูปแบบที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูบชาการบูชาทั้งสองแบบนี้มีความสัมพันธ์ต่อกัน คือขั้นที่หนึ่งการบูชาเราเริ่มที่การบูชาด้วยอามิสบูชาเพราะเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองคือปฏิบัติบูชาก่อนที่เราจะเข้าถึงการปฏิบัติบูชาได้เราก็ต้องมีอามิสบูชาก่อน คือเราต้องแสดงความเคารพนับถือกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยสิ่งเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนอันนี้เป็นการบูชาที่ง่ายที่จะพาเราเข้าไปสู่การบูชาที่ยากที่สำคัญ มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติบูชาถ้าเราไม่มีการกระทําอเมศศบูชาเราจะเข้าไม่ถึงการปฏิบัติบูชานั่นเองการบูชาแบบอเมศศบูชาเพื่อให้เราได้เข้าถึงการปฏิบัติบูชานั้นให้เราบูชาอย่างไร ก็คือเวลาที่เรากราบพระเวลาที่เราเอาจุดทูบเทียนถวายดอกไม้กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องลําลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั่นเองถ้าเราลําลึกถึงพระพุทธเจ้าลําลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและลึกถึง พระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องทำะไรต่อไปนั่นเองคือเราถ้าอยากจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่จากพระพุทธศาสนาเราก็ต้องปฏิบัติบูบชาเพราะอามิสะบูชานี้เป็นเพียงเหมือนกุญแจที่จะเปิดประตูให้เราเข้าไป หยิบสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในอาคาร อ, อยู่ในตู้เซฟเป็นต้นก่อนที่เราจะเข้าไปหยิบทรัพย์สมบัติเงินทองที่เก็บไว้ในตู้เซฟได้เราต้องมีกุญแจเปิดตู้เซฟก่อนพอเราเปิดตู้เซฟแล้วถ้าเราไม่หยิบสมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่ในตู้เซฟเราก็ไม่ได้อะไร พอเปิดตู้เซฟแล้วเราก็ต้องหยิบเอาสมบัติต่างๆที่เราต้องการต้องการ เ, าเพชรต้องการเงินต้องการทองที่มีอยู่ในตู้เราเปิดตู้แล้วเราเราก็ต้องหยิบกันถ้าไม่หยิบไปเปิดตู้ทําไมเปิดตู้ให้เสียเวลาเปล่าการเปิดตู้เซฟก็เพื่อที่เราจะได้หยิบเอาเข้าของเงินทองที่เราต้องการจะ นำเอาไปใช้นั่นเองอการปฏิบัติบูชาก็เป็นเหมือนกับการเปิดตู้ของมรรผลนิพพานสมบัติอันล้ำค่าอย่างยิ่งที่หาที่ไหนไม่ได้นอกจากในตู้เซฟของพระพุทธศาสนาเท่านั้นและการที่เราจะเข้าไปถึงทรัพสมบัติอันยิ่งใหญ่คืออรารยสั์ มรรคผลนิพพานเราจําเป็นจะต้องมีกุญแจเปิดตู้เซฟก่อนการอามิสบูชานี้เป็นเหมือนกับกุญแจที่จะทําให้เราได้เปิดตู้เซฟพอเราได้เปิดตู้เซฟแล้วเราก็เข้าหยิบเอาสมบัติที่มีอยู่ในตู้เซฟนั้นไปได้ตู้เซฟของพระพุทธศาสนาก็มีสมบัติอันล้ำค่า ที่เราเรียกว่าอริยสมบัติหรือโลกุตตะสมบัติสมบัติที่เหนือโลกสมบัติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสมบัติต่งตางๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะเป็นสมบัติที่จะให้ความสุขที่แท้จริงเป็นสมบัติที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้ สมบัติที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถทําเหมือนกับสมบัติของพระพุทธศาสนาได้โลกียะสมบัติคือข้าวของเงินทองเพชรนินจินดาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจได้ไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ก้ใจได้ให้ได้ก็เพียงแต่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวเป็นความสุขแบบควันไฟแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาต่อไปต่อให้มีสมบัติมากน้อยเพียงไรก็ตามก็จะไม่สามารถมีความสุขที่ถาวรมีความสุขที่ไม่หมดได้ มีความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาได้ต้องมีอริยสมบัติหรือโรกุตตระสมบัติเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขที่ถาวรปราศจากความทุกข์ต่างๆอริยสมบัติก็คือมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสี มรรคกับผลนี้เป็นคู่กันคู่ที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบันโสดาปฏิมรคโสดาปฏิผลคู่ที่สองเรียกว่าสกิดาคามีมรคสกิดาคามีผลคู่ที่สามเรียกว่าอาณาค า, ามีมรคอาณาคามีผลคู่ที่สี่เรียกว่าอารหัตมรคอรหัตตผลก่อนจะได้ผลเราต้องเจริญมรค ก, ก่อน มักเป็นเหมือนขั้นบันไดการที่เราจะขึ้นสู่ชั้นที่หนึ่งได้เราก็ต้องขึ้นบันไดก่อนเดินขึ้นบันไดจากชั้นล่างสู่ชั้นที่หนึ่งชั้นบนก็เราต้องเดินขึ้นบันไดกันการขึ้นบันไดนี้เรียกว่ามักพอเราเดินถึงขึถึงชั้นที่เราต้องการก็เรียกว่าผล พอเดินไปสู่ขั้นบันไดเราก็จะไปถึงชั้นที่หนึ่งพอเราอยากจะขึ้นชั้นที่สองเราก็ต้องเดินขึ้นบันไดที่จะพาให้เราขึ้นสู่ชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่สตามลาดับต่อไปอนี่คือมรรคผลเป็นของคู่กันก่อนที่เราจะได้ผลเราต้องเจริญมากก่อนก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่ ชั้นที่หนึ่งได้เราต้องขึ้นบันเดินขึ้นบันไดไปก่อนถ้าไม่มีบันไดเราก็จะขึ้นไปไม่ได้เพราะเราเหาะไม่ได้เหาะไม่เป็นไม่เหมือนนกหรือไม่มีลิฟต์ถ้าไม่มีลิฟต์ไม่มีบันไดเราก็จะขึ้นไปชั้นต่างๆของตัวอาคารไม่ได้อาริยทรัพย์อาริยผลอริยทรัพหรือโลกุตตะลทรัพจึงมีเป็นคู่คู่กัน มีอยู่สี่คู่พอได้ขั้นที่สี่คือขั้นอรสาตผลก็จะไปขึ้นไปสู่พระ น, นิพพานต่อไปพอพอได้อรสตะผลแล้วก็จะได้นิพพานนิพพานก็คือความสุขที่เต็มร้อยความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความสุขของระดับขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนี่ยังไม่เต็มร้อยยังได้เป็นร้อยละยี่สิบร้อยละสี่สิบร้อยละห้าสิบร้อยละร้อยตามลาดับนี่คืออริยทรัพย์หรือโลกุตตลารัพย์ทรัพย์ที่จะให้ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะไม่ที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปได้ไม่เหมือนกับทรัพย์ของโลกที่เรียกว่าโลกียทรัพย์เช่นข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีกันเราเอามาดับความทุกข์ได้เป็นพักๆแต่เราไม่สามารถดับความทุกข์ให้หายไปได้อย่างเด็ดขาดอย่างถาวรต่อให้เรามีข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตาม ความทุกข์ต่างๆมันก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆความสุขที่เราได้รับจากข้าวของเงินทองต่างๆได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปนี่คือความแตกต่างระหว่างทรัพย์สองประเภทด้วยกันคือโลกิยทรัพย์กับโลกุตตรทรัพย์โลกิยทรัพย์คือทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปกับเราได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราแต่เราสามารถเอาโลกรุตละทรัพย์ติดตัวไปกับเราได้ถ้าเรายังไม่ได้โลกรุตละทรัพย์ขั้นสูงสุดเราก็เอาโลกุตละทรัพย์ขั้นที่เราได้ไปแล้วเราก็ไปทำต่อไปสร้างทรัพย์ต่อ เหมือนเดินขึ้นบันไดขึ้นชั้นต่อไปได้เราไม่ต้องกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ไม่เหมือนกับโลกียทรัพย์ที่เราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้อหาเงินหาทองหาอะไรไดม้มามากน้อยเพียงไรเวลาตายไปเราก็ต้องทิ้งมันไว้ในโลกนี้หมดแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็ต้องกลับมาหาใหม่มาเริ่มต้นที่ศูน์ใหม่ เหมือนกับโลกุตตรทรัพย์ถ้าเรายังไม่ได้ทรัพย์ที่สูงสุดถ้าเรายังกลับมาเกิดอยู่เราก็มาทําต่อได้เช่นถ้าเราได้ทรัพย์ขั้นที่หนึ่งโลกุตตรทรัพย์ขั้นที่หนึ่งพอเรากลับมาเกิดเราก็มาทําโลกุตตรทรัพย์ขั้นที่สองต่อไปได้ทําไปจนกระทั่งถึงขั้นที่สี่ได <Orchestra> hmm. <Moon. S 2> ้นี่คือ ความแตกต่างของทรับสองประเภทด้วยกันคือโลกิยาซั์ที่เราอาจจะเรียกว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกใจโลกุตละรัพย์เป็นทรัพย์ภายในใจทรัพย์ภายในใจที่จะเกิดจากการปฏิบัติบูบชานั่นเองถ้ายังถ้าต้องการโลกุตละรัพย์ต้องการมากผลนิพพาน ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเราจําเป็นที่จะต้องมาปฏิบัติบูบชากันแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงปฏิบัติบูบชาเราก็ต้องผ่านอาบิสบูชาก่อนตอนที่เราเริ่มต้นเข้าหาพระพุทธศาสนาเราจะถูกสอนให้เราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อน การบูชานี้เพื่อให้เราทำความรู้จักกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นใครท่านมีความสำคัญอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนไว้ไว่าอย่างไรให้เราปฏิบัติตามอย่างไรพระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่รับคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้รับโลกุตตระทรัพ์ ได้รับมากผลนิพพานแล้วนี่คือบุคคลสามประเภทที่เราต้องบูชาอยู่อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าเราไม่บูชาเราจะลืมเราจะพอเราชีวิตของเราในแต่ละวันนี้มีเรื่องมากมายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องด้วย พื้นฐานก็คือเราต้องไปทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเวลาเราก็ต้องใช้ไปกับการหาเงินหาทองหาปัจจัยสี่แล้วพอเราได้เงินทองมาเราเหน็ดเหนื่อยเราก็ไปหาความสุขทางโลกียะทรัพย์กันถ้าเราไม่มีเวลามาบูชาด้วยอมิสระบูชาเราก็จะ อยู่ห่างไกลจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะไม่ได้ลำลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ลำลึกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติของพระอริยสงสาวกว่ามีความสาคัญมีคุณค่าต่อจิตใจอย่างไรเราก็จะไม่ได้เข้ามาปฏิบัติบูบชากัน เราก็จะมัววุ่นวายไปกับการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อซื้อความสุขต่างๆที่เป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เราไม่สามารถเอามาดับความทุกข์มายุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะตายไป เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่เราก็จะทำแบบเดิมาการที่เรามาเกิดแล้วได้มาเจอพระพุทธศาสนานี่เป็นโชคมหาศานไม่ใช่ว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทุกพบทุกชาติที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์การได้พบกับพระพุทธศาสนานี่ มีปนคประโยชน์ต่อจิตใจของพวกเรามากเพราะถ้าเรามีพระพุทธศาสนาเราจะเป็นมีผู้นําทางมีผู้สอนผู้บอกให้เรารู้ว่าตอนนี้เรากําลังติดอยู่ในคุกตารางกันถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกของวัฏฏสงสารคือไต คือพบของคือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดวะัฏะสงสารคือที่พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันตายแล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่เกิดมาแล้วเราก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เป็นอย่างนี้มาอยู่อย่างต่อเนื่องไม่สามารถหลุดออกจากวัฏสงสารแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลย แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เราจะคิดว่าเราเกิดมาแล้วเราตายแล้วเราก็จบคิดว่าพอร่างกายตายชีวิตของเราก็สิ้นสุดลงตรงนั้นแต่มันไม่ได้สิ้นสุดเพราะว่าสิ่งที่ตายไปนี้ไม่ได้เป็นชีวิตของเราชีวิตของเราที่แท้จริงคือจิตใจผู้ที่มีความรู้สึกนึกคิดนี้คือจิตใจ ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขแก่จิตใจนี้คือจิตใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งเท่านั้นเองที่เราใช้พาเราไปตามสถานที่ต่างๆพอรถยนต์เสียรถยนต์พังเราคนขับเราก็ไปเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่แล้วก็เดินทางต่อไปนี่คือ เรื่องของจิตใจเรื่องของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ไปต้องไปเกิดต่อไปและก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้สร้างเอาไว้ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เพราะตอนที่เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องดิน้นรนทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เราก็หาเงินหาทองมาซื้อความสุขต่างๆบางทีเราก็ถ้าอยากได้เงินทองมากอยากได้ข้าวของมากอยากได้อยากทำอะไรมากแล้วเราไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุดจริตเราก็จะไปทำด้วยวิธีทุจริตคือด้วยวิธีทำบาปหาเงินไม่พอใช้เราก็อาจจะไปขโมย ไปช่อโกงไปโป้นไปจี้ไปรักทรัพย์แล้วถ้าเกิดมีการต่อสู้กันก็อาจจะมีการฆ่ากันอันนี้เราก็จะอาจจะไปทำบาปถ้าเรามีความอยากความต้องการได้เงินทองมากเกินกว่าที่เราจะหามาได้โดยวิธีที่ถูกต้องอนนเราก็จะไปหาโดยวิธีไม่ถูกต้องคือไปทำบาป พอทำบาปบาปนี้มันก็จะมีผลส่งต่อจิตใจของเราต่อไปเวลาตายไปบาปก็จะส่งให้จิตใจของเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานแทนที่จะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้ายังไม่ได้เกิดเป็นเดรัจฉานก็อาจจะไปเป็นดวงวิญญาณที่เป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้าง หรือดวงวิญญาณที่ไปติดอยู่ในนรกบ้างนี่คือที่ไปของดวงจิตดวงใจที่หลังจากแยกออกจากร่างกายแล้วหลังจากหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วดวงจิตดวงใจนี้ก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปไปรับผลของบุญหรือของบาปไปถ้าทําบาปถ้าไปเกิดก็ไปเกิดเป็นเดราชาน ถ้ายัางไม่ได้เกิดก็เป็นดวงวิญญาณในสภาพของเปรตบ้างในสภาพของอสุรกายบ้างหรือไปติดอยู่ในนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปที่ได้ทำไว้ว่ามีมากมีน้อยอย่างไรในทางตรงกันข้ามถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเรามีโชคมีบุญเก่าทำให้เราเกิดมาร่ำรวย หรือทำมาหากินก็หาเงินได้อย่างง่ายดายมีเงินทองมากมายเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เราก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเอาไปทําบุญเราก็จะได้สะสมบุญเอาไว้ในใจเราพอเราตายไปถ้าบุญของเรามีมากกว่าบาปถ้าเราไม่ได้ทําบาปทําแต่บุญ ก็จะไม่มีบุญที่จะส่งผลให้แก่ดวงวิญญาณของเราต่อไปดวงวิญญาณของเราก็จะไปอยู่ในในภาพในในรูปแบบของเทวดาชั้นต่างๆเพราะอํานาจของบุญที่เราได้ทําไว้จนกว่าบุญหรือบาปที่เราได้ทําไว้มันหมดมันเหมือนเงินทองที่เราใช้จ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมด พอหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็มาเกิดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาดิน้นดนมาทํางานทําการอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้หาข้าวของเงินทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องหาข้าวของเงินทองมาซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้เพื่อให้เรามีความสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ดวงจิตดวงใจของเราหรือตัวเราตัวเรานี่แหละมาจากดวงจิตดวงใจอยู่ในดวงจิตดวงใจเราจะเรียกว่าดวงจิตดวงใจนี้เป็นตัวเราก็ได้เราจะเรียกดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายว่าเป็นตัวเราก็ได้เราจะเรียกว่าเราเป็นเทวดาก็ได้เป็นเปรตก็ได้เป็นอสูรลกายก็ได้เป็นสุนัขเป็นแมวก็ได้ แล้วแต่สภาพของจิตใจของเราจะไปติดอยู่ในสภาพไหนถ้ามีบุญส่งไปเราก็จะไปติดเป็นในสภาพของเทวดาถ้ามีบาปส่งไปเราก็จะไปติดในสภาพของสัตว์เดรัจฉานติดในสภาพของเปรของอสุรกายหรือติดอยู่ในนรกที่มีแต่ความรุ่มร้อนที่เผาผลาญติดใจอยู่ตลอดเวลา เหมือนอยู่ในเตาเผา น, นี่คือเรื่องที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวเหล่านี้เมื่อเราไม่รู้เรื่องราวของเราเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรในการที่จะปลดเบื้องชีวิตจิตใ จ, จของพวกเรลานี้ให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพต่างๆ ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาเราจะได้พบกับผู้ที่ได้พบทางที่จะพาให้จิตใจของพวกเรานี้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปต่างๆได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดี ดอพบกับพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ากด็ดีเราจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราจะได้เรียนรู้อย่างไรก็เรียนรู้จากการที่เรามีอมิตรสบูชานั่นเองพอเราเห็นพระพุทธรูปเรากราบไหว้ด้วยดอกไม้ทูบเทียนเราก็ต้องมานั่งปนมมือแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นใคร อ, อ่อท่านเป็นผู้ที่ได้ค้นคว้า ทางที่พาให้พวกเราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะตามคาสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไรก็คือวิธีที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันพระอริยสงสาวกคือใครก็คือผู้ที่ได้รับคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคําสอนอย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าสุปฏิปันโนเพราะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไดน้นี่คือการกระทำอามิสบูชาที่ถูกต้องต้องทาด้วยการดำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพราะถ้าดำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว มันจะกระตุ้นจิตใจของเราให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปนั่นเองเราจะได้ไม่ถูกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเราดูดดึงเอาไว้จนลืมเรื่องสำคัญคือเรื่องการปฏิบัติบูบชานี้เองเพราะไม่มีอะไรจะให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรายิ่งกว่าการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี้เป็นการปลดเบื่องพวกเราให้ออกจาก คุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองถ้าเราติดคุกติดตารางแล้วมีคนเข้ามาเปิดประตูคุกให้เราออกไปเราจะอยู่ในคุกหรือเราจะออกจากคุกกันไม่มีใครอยากจะอยู่ในคุกหรอกเพียงแต่ไม่มีไม่ไม่มีทางออกเท่านั้นเลยก็เลยอยู่ในคุกถ้ารู้ว่าทางออกอยู่ตรงไหนรับประกันได้รับรองได้ว่าจะต้องออกไปกันทุกคน เพทุกคนรู hmm. ้ว่าอยู่ในคุกกับอยู่ข้างนอกคุกนั้นความสุขมันไม่เท่ากันนั่นเองความสุขในคุกมันมีน้อยความทุกในในคุกมันมีมากส่วนความสุขนอกคุกนี้มันมีมากกว่าความสุขในคุกความทุกนอกคุกก็มีน้อยกว่าความทุกที่มีอยู่ในคุกจึงไม่มีใครอยากจะติดคุกกันมีแต่ย่าอยากจะออกจากคุกกัน พวกเราก็เหมือนกันพวกเราเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่รู้กันเท่านั้นเองว่าเราเป็นนักโทษเราคิดว่าเราเป็น เ, เราคิดว่าเราเป็นคนที่อยู่นอกคุกนอกตารางเราคิดว่าเราสามารถหาความสุขต่างๆได้อย่างตลอดเวลาตามที่เราต้องการ แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราหาความสุขกันท่าเป็นท่าตายได้มาปั๊บเดียวเดียวเดียวความสุขนั้นหายไปแล้วแล้วความทุกข์ก็เข้ามาทันทีทุกครั้งที่เราสูญเสียความสุขไปความทุกข์นั้นก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีเราอยู่กับความทุกข์มามากกว่าเราอยู่กับความสุขแต่เราไม่มองกันเท่านั้นเองเรา พอเราทุกข์เราก็รีบวิ่งหนีมันรีบวิ่งไปหาความสุขพอได้ความสุขเราก็พยายามดึงเอาไว้กอดมันไว้แต่ดึงไว้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายไปอีกแล้วเราก็ต้องดิ้นหามาอยู่เรื่อยๆนี่คือความสุขที่เรามีกันในขณะนี้ความสุขที่ผสมไปกับความทุกข์แล้วก็จะมีความทุกข์มากขึ้นไปตามอายุไขของเรา พอเรามีอายุมากขึ้นมีความแก่มีความชรามีก็ะจะมีโครคภัยไข้เจ็บมากขึ้นไปตามลําดับแล้วเราพอใกล้ตายเราก็จะทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆอย่างที่เราเคยหาได้นั่นเองอ่านี่คือเรื่องของพวกเราที่เราไม่รู้กันว่าสถานภาพของเหล่านี้เป็นอะไร ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังเป็นนักโทษเรายังกำลังติดคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดแต่ตอนนี้เราโชคดีนอกจากมีคนมาบอกว่าเราเป็นนักโทษแล้วยังบอกว่าเรามีประตูที่เราจะออกจากคุกตารางนี้ไปได้ประตูนี้พระพุทธจเจ้าเปิดให้พวกเราไว้แล้วประตูที่จะพาให้พวกเรานี้ออกจาก ทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ประตูนี้ก็คือการปฏิบัติบูชานี่เองที่เราจะต้องปฏิบัติการจะปฏิบัติบูชาได้เราก็ต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะปฏิบัติบูชาอย่างไรแล้วการที่เราจะได้ศึกษาก็คือเราต้องมีอาบิสบูชาเป็นปกตินะ ควรจะทาอยู่ทุกวันนั่นเองควรจะกราบพระทุกวันเล่ากราบทุกครั้งก็ให้เราลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอเราดูแล้วว่าเราต้องลั้นเลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์พอเรารัเลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าเรากำลังเป็นอะไรอยู่เรากำลังเป็นนักโทษเป็นคนติดคุกหรือคนอยู่นอกคุก ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนติดคุกเราก็ต้องหาวิธีออกจากคุกกันวิธีที่ออกจากคุกพระพุทธเจ้าก็สอนเราให้เราปฏิบัติบูบชาอ่นี่คือหน้าที่ของการบูชาแต่ละชนิดขั้นตอนก็เราต้องมีอามิสบูชาก่อนเวลาเราเกิดมาพ่อแม่ผู้ย่าตายายก็จะสอนให้เรากราบพระไหว้พระกัน แต่เพียงแต่ว่าท่านไม่สอนให้คบสูตรเท่านั้นเองสอนให้แต่กราบทางร่างกายทางกิริยาหรือทางดอกไม้ทูบเทียนแต่ไม่ได้สอนให้เรากลาบทางใจด้วยคือให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่เป็นตัวบูชาที่แท้จริงคือเราต้องล้ำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมรคุณพระสังฆ ค, คุณนี่เอง เราก็ล่ำลึกกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้กันเช่นเวลาเราสวดมวนไหว้พระกันอันนี้ก็เป็นการนำลึกถึงพระพุทธคุณเช่นเราสวดบทอิติปิโสนี่เรากําลังเจริญเรากําลังเจริญบทพระพุทธคุณพอเราสวดสวากขาโตแล้วก็กําลังเจริญพระธรรมคุณพอเราสวดสุปฏิปันโนเราก็กําลังเจริญ พระสังฆคุณแต่เราไม่เข้าใจความหมายนั่นคือปัญหาเราสวดภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ในสมัยพุทธกาลแต่มันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นภาษาของเราสวดแล้วเราก็เลยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าเราสวดอะไรดังนั้นการจะบูชา อาบิสบูชาที่ถูกต้องเราต้องศึกษาคำแปลของบทที่เราสวดกันอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธนี้แปลว่าอะไรสวาขาโตภกะกวตาธรรมนี้แปลว่าอะไรสุปฏิปันโนภกะกวโตสาวกสังโคแปลว่าอะไรถ้าเราไม่ศึกษาเราก็เป็นเหมือนนกแกว้ว นกแก้วเวลาเราสอนให้มันพูดแก้วจ๋ามันก็พูดแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่พอเราหยิบแก้วให้มันหยิบเพชรให้มันแก้วแหวนเราหยิบแก้วแหวนให้มันมันก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเพราะมันกินไม่ได้มันไม่ต้องการแก้วมันต้องการกล้วยเพราะเราหยิบกล้วยให้มันนี่มันคว้ามับความับทันทีพวกเราก็เป็นเหมือนเหมือนนกแก้ว สวดแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่ไม่ไปปฏิบัติตามที่เราสวดกันก็เหมือนกับเขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งได้เพชรมาก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งไปมีแต่คอยหากล้วยอย่างเดียวพอสวดหมดเสร็จก็รีบไปดูหนังดูละครกันไปเที่ยวกันไม่ได้สวดแล้วเพื่อจะไปปฏิบัติกันสวดแล้วก็ไปเที่ยวกันต่ออันนี้ก็เหมือนนกแก้วดีๆนี่เ นกแก้วมันก็ล่องแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอเอาแก้วเอาแก้วกับกล้วยไปให้มันเลือกมันก็รีบคว้ากล้วยทันทีอแก้วเพชรดินจินดามันก็โยนทิ้งหมดเคลียทิ้งหมดพวกเราก็เหมือนกันพวกเราที่สวดอิติปิโสสวดอะไรกันนี่สวดเสร็จแล้วเราก็เหมือนกับว่าทํําทาหน้าที่ของการสวดไปเทั้นเองสวดเสร็จแล้วเราก็ไป หาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันเพราะว่าเราคิดว่าการสวดนี่เหมือนกับเป็นการซื้อประกันภัยสวดแล้วจะป้องกันภัยคุ้มครองเราเวลาที่เราไปเที่ยวเราจะได้ปลอดภัยเวลาที่เราออกนอกบ้านเราจะได้ปลอดภัยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเป็นการบูชาที่ไม่ถูกต้อง เป็นการบูชาที่ไม่เกิดประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนี่แหละนี่คือเรื่องของบูชาที่เราไม่เข้าใจกันบางทีเราก็เอาดอกไม้ทูปเทียนบูชาก่าวพระสามครั้งเสจก็จจไม่รู้ธรรทำอะไรอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์จากการบูชาจากการทรำอามิสบูชา ถ้าอยากให้ได้รับประโยชน์ทุกครั้งสวนต้องกราบแล้วต้องนำลึกถึงพระพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นใครท่านสอนให้เราทำอะไรเราเลึกถึงพระธรรมคำสอนวิธีปฏิบัติต่ต า, ตางๆว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเราเลึกถึงพระอริยสงสารวกผู้เป็นบุคคลตัวอย่างของ<ม>พวกเราผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้า จนได้หลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เปลี่ยนจากสถานภาพจากการเป็นนักโทษให้เป็นผู้พ้นโทษไม่ต้องติดคุกในตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเราบูชาแบบนี้แล้วเราจะรู้ทันทีว่าหน้าที่ความหน้าที่ที่แท้จริงของเราคืออะไร ที่แท้จริงของเราก็คือการปฏิบัติบูชานั่นเองเราก็จะเริ่มเอาเวลาที่เราไปใช้กับาการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้เอามาใช้กับการปฏิบัติบูชาเพราะถ้าเราไม่เอาเวลามาเราจะไม่มีเวลา ป, าปฏิบัติบูชากันนั่นเองเวลาที่เราต้องใช้กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่เราเอามาไม่ได้ พเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้มันจําเป็นเราต้องเลี้ยงดูร่างกายให้มันแข็งแรงแต่เราเอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ส่วนนี้ไม่สําคัญการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นการไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปดูหนังฟังเพลงนี้มันเป็น เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์เสียมากกว่าเวลาที่เราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา Or, หรือเราสูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปสูญเสียความสุขที่เราได้มาไปเร า, ไาเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา อย่าการไปหาสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ่นกายเพื่อให้เรามีความสุขนั้นเป็นเท่ากับการไปหาความทุกข์เพราะมันเป็นเงาตามตัวมามันเป็นเงาตามความสุขมาความทุกข์พอความสุขหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีนนเราควรที่จะหยุดเอาเวลาไปหาความสุขแบบนี้กันแล้วเอาเวลาที่เราใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายนี้ มาหาความสุขจากการปฏิบัติบูบชาจะดีกว่าเพราะจะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่หายจากเราไปและเป็นความสุขที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้อนนี่คือเวลาที่เรากล่าบพระให้เรากล่าวแบบนี้เวลาที่เราบูชาพระด้วยดอกไม้ทูบเทียนให้เราลำลึกถึงพระพุทธเจ้า นำาลึกถึงคำสอนนำาลึกถึงพระสงฆ์ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนว่าได้รับประโยชน์อย่างไรถ้าเราอยากจะได้รับประโยชน์เหมือนกับพระอริยสงสาวกเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับพระอริยสงสารุกอริยสงสาว ก, าสสาวกท่านก็ปฏบบิบัติบูชากันแทนที่ท่านจะเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็เอาเวลามาปฏิบัติบูบชา มาเจริญศีลสมาธิปัญญาพอาได้เจริญศีลสมาธิปัญญาก็จะได้รับมรรคผลนิพพานได้รับความสุขในระดับต่างๆตามลำดับ น, นี่คือวิธีบูชาที่ถูกต้องบูชาอมิสสบูชานี่เพื่อให้เราไม่ให้ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ให้เราลืมงานสำคัญที่เราควรจะทำกัน งานที่จะพาให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเรากราบเฉยๆโดยไม่มีการล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะลืมงานสําคัญนี้ไปเราก็จะหลงติดอยู่กับงานหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาก็ไปติดอยู่กับการใช้เงินใช้ทองซื้ออะไรต่างๆให้ความสุขกับเราชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็ต้องมาทุกต่อไปเวลาที่เราจะต้องสูญเสียความสุขต่างๆไปสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้ไปอันนี้คือเรื่องของอมิสบูชาัเวลาเรากราบพระทุกครั้งขอให้เราล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเราควรจะกราบอย่างน้อยวันละสองสามครั้งบากติก้าเช้าเย็น ตื่นนอนขึ้นมาก็กราบพระก่อนกราบพระเพื่อให้เรารู้หน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าเราต้องทําอะไรหน้าที่แท้จริงของเราก็คือเราต้องปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําบุญทําทานให้เรารักษาศีลให้เรานั่งสมาธิให้เราเจริญปัญญากันเราได้ทํากันบ้างหอย่างเราต้องถามตัวเองอยู่เรื่อยๆ ทุกวันที่เราเตื่นขึ้นมาว่าวันนี้เราจะไปทำบุญทาทานหรือเปล่าเราจะรักษาศีลหรือเปล่าเราจะฝึกสมาธิหรือเปล่าเราจะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาหรือเปล่าต้องถามตัวเองเวลาตื่นนอนขึ้นมาเวลากราบพระเพราะนี่คือหน้าที่ของการกราบพระเพื่อเตือนใจเรา ให้เรารู้หน้าที่ที่แท้จริงของเราว่าเราต้องทําอะไรกันแล้วพอเรากลับมาบ้านก่อนนอนแล้วก็กราบพระแล้วเราก็มาทบทวนดูว่า ว, วันนี้เราได้ทําอะไรบ้างเราได้ทําบุญทําทานตามคําสอนหรือเปล่าเราเราได้รักษาศีลหรือเปล่าเราได้นั่งสมาธิบ้างหรือเปล่าเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบ้างหรือเปล่าอันนี้ เป็นวิธีอามิสบูชาที่ถูกต้องถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ตรวจตาดูการกระทาของเราว่าเรากำลังไปทางไหนเรากำลังไปทางที่จะออกจากคุกตารางหรือเราจะไปในทางที่จะดึงให้เรากลับเข้าสู่คุกตารางถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำบุญทำทานเลยไม่ได้รักษาศีลเลยไม่ได้นั่งสมาธิเลย ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเลยก็แสดงว่าเราไม่ได้เดินทางออกจากคุกออกตารางเลยเราก็ยังติดวนอยู่ในคุกในตารางอยู่ถ้าเราไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางต า, งางหูจมูกนิ้นกายกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปซื้อของไม่จาเป็นต่างๆนีแสดงว่าเรากาลังหลงทาง เรากำลังไม่ได้ไปในทางที่จะพาให้เราได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดกันถ้าเราคิดอย่างนี้กาบภาพแบบนี้เราจะได้รู้ว่าเรากำลังไปดำเนินชีวิตของเราไปในทางไหนถ้าเราไปในทางที่ไม่ถูกเราก็จะได้ปรับทางได้เปลี่ยนทางได้ถ้าเรากำลังไปทางที่ไม่ได้เป็นทางที่เราอยากจะไป พราะเราลืมไปเราหลงไปว่าเราคิดว่าเป็นทางที่เราควรไปพอเรามาล้ำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรากําลังไม่ได้เราไม่ได้ไปในทางที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านไปกันถ้าเราอยากจะตามพระพุทธเจ้าตามพระอริยสงฆ์สาวกเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติกัน พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกทุกองค์นี้ท่านปฏิบัติทานศีลภาวนากันท่านทําบุญทาทานกันนักษาศีลกันท่านภาวนากันคือสามัคคีภาวนาก็คือนั่งสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็คือฟังเทศฟังธรรมจเจริญปัญญากันนี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ที่ทําให้ท่านได้ได้อริยะทรัพย์กันได้โลกุตละทรัพย์กันได้ดูดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันพวกเราที่ติดอยู่ในคุกตารางของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องขวนขวายดิ้นนนตปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระอริยสงสารกถ้าเราอยากจะออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันแต่ถ้าเราไม่อยากจะออก ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครบังคับเราแต่เวลาที่เราร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็อย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองที่เรายังไม่ยอมออกจากคุกตารางนี้ยังไม่ยอมปฏิบัติบูบชากันยังพอใจที่จะหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กันตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชานี้ เราก็จะหลงอยู่ ก, กับการหาความสุขทางโลกกันแต่พอเราแก่เราเจ็บคข้ได้ป่วยเราถึงจะเห็นโทษของการที่เราไปหาความสุขทางทางโลกว่ามันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเวลาที่เราแก่เวลาที่เราเจ็บเวลาที่เราตายนี้เราจะมีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรจะมาช่วยเราได้เลย นอกจากการปฏิบัติบูบชาเท่านั้นแหละอั น, นี้คือเรื่องของการกระทำอามิสบูชาต้องทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆทำให้ถูกต้องอย่าทำแบบนกแก้วเห็นพระก็จุดทูบเทียนดอกไม้ถวายดอกไม้กราบสามครั้งแล้วก็จบโดยที่ไม่รู้ว่าทำอะไรอันนี้ ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดแค่ว่าถ้าได้จุดทูบเทียนดอกไม้กราบพระแล้วจะมีพระมาคุ้มครองะจะปลอดภัยไม่มีใครปลอดภัยจากภัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายจากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องตายจากโลกนี้ไปพระอริยสองสาวกทุกองก็ต้องตายจากโลกนี้ไปะ การกราบ พ, พระนี้ไม่ได้กราบเพื่อให้พระมาคุ้มครองปกป้องรักษาชีวิตเราพระก็ยังรักษาชีวิตปกป้องรักษาชีวิตของท่านไม่ได้แล้วท่านจะมาปกป้องรักษาชีวิตของเราได้อย่างไร hyped. พระท่านไม่มีหน้าที่มาปกป้องรักษาชีวิตของไข่ไม่ของท่านถ้ามีหน้าที่มาปกป้องรักษาจิตใจของท่านให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ให้ออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือหน้าที่ของพระพระพุทธเจ้าก็ทําสําเร็จแล้วพระอริยสงฆ์สาวกก็ทาสําเร็จแล้วพอท่านสําเร็จแล้วท่านกมา็มาสอนพวกเรามาบอกพวกเราให้เรารู้จักวิธีออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือให้ออกด้วยการปฏิบัติบูบชานี้เอง พอเรากราบพระแล้วถ้ากราบแล้วเราเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อหน้าที่ของเราที่มาเกิดนี้ก็เพื่อมาปฏิบัติบูชานี่มาทําบุญทําทานมารักษาศีลมาภาวนาการทําทานนี้ทําอย่างไรก็คือถ้าเรามีเงินเหลือจากการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่าเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขต่างๆเพราะมันจะทําให้เราติด น่าจะทำแม่เราต้องหาเงินหาทองมาซื้อของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่ไม่สามารถพาให้เราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราต้องการใช้เงินให้เราหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเอาไปทำบุญทำทานถ้าเรามีเหลือถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องทำบุญทำทาน การทำทานนี้สำหรับผู้ที่มีเงินเหลือจากการเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเหมือนกับการไปซื้อภพชาติให้ติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะมันจะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราใช้เงินซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ พอเราตายไปใจของเราก็ยังติดอยู่กับความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้มันก็จะกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยถ้าเราไม่เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ใจของเราก็จะไม่ติดกับการกลับมาเกิดกลับมาหาความสุขในโลกนี้ต่อไปดังนั้นเราต้องหยุดการหาความสุขในโลกนี้ด้วยการใช้เงินทองที่เรามีเหลือจากการเลี้ยงปากเลี้ยงทองถ้าเรา จะเอาไปใช้กับการซื้อความสุขต่างๆก็ให้เอาไปทําบุญทําทานแทนแล้วต่อไปเราก็จะเลิกใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องหาเงินทองมากหาเท่าที่จําเป็นหาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็จะทําให้เรามีเวลาที่เราจะได้ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม ไปอยู่วัดไปรักษาศีลไปนั่งสมาธิไปเจริญปัญญาได้เพราะเรามีเวลาถ้าเราบัวแต่หาเงินแล้วเอาเงินที่หามาได้ไปซื้อความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะต้องซื้ออยู่เรื่อยๆต้องหาอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เราไม่มีเวลาได้ไปปฏิบัติธรรมกันไม่ได้ไป รักษาศีลไม่ได้ไปนั่งสมาธิไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานั่นเองอ น, นี่ก็คือเรื่องของการทำทานะฉะนั้นเราต้องพยายามทำทานถ้าเรามีเงินที่เราจะไปใช้ซื้อพบชาติคือเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆเอาเงินเหล่านี้ไปทำบุญจะดีกว่า แต่ถ้าเราไม่มีเงินเราต้องเก็บเงินที่เราหามาไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราก็ไม่ต้องทำบุญทําทานก็ได้เราก็ไปปฏิบัติธรรมต่อได้เลยไปอยู่วัดมีเงินจะได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารของเราแล้วเราก็จะได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมคือมาเจริญสติเพื่อให เวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะใช้ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมนี้มาทำลายความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่ฉุดลากให้พวกเรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อที่จะทำลายความอยากทั้งสามประการด้วยกัน คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลถ้าะที่เรียกว่ากามตัณหาความอยากในกามเราก็ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เช่นอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากได้รางวีรางวัลอยากได้การยกย่องสรรเสริญเยือนยอเราก็ต้องหยุดมันเพราะความอยากแบบนี้ที่เรียกว่าภาวะตัณหา มันจะทำให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วความอยากอันที่สามก็คือความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาไปเราได้อะไรมาเราก็อยากจะได้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันจะจากเราไปเราก็จะเสียใจแล้วพอมันจากไปเราก็จะไปหามันเพื่อจะได้เอามันกลับมาใหม่เราก็จะกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ พอเราสูญเสียร่างกายนี้ไปเราก็จะกลับมาหาร่างกายอันใหม่ต่อไปมันก็จะทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีความอยากทั้งสามอย่างนี้คือกามะตัณหาความอยากในกามภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นอยู่ให้เรา กำจัดความอยากเหล่านี้จะกำจัดได้เราต้องมีกำลังกำลังที่จะทำให้เรากำจัดความอยากเหล่านี้ได้ก็คือสมาธิปัญญาก็คือความรู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเวลามันโผล่ขึ้นมาเราจะต้องฝืนมันเราจะต้องไม่ทาตามมันมันอยากเที่ยวก็อยากเที่ยวมันอยากเล่ารวยก็อยากไปล่ารวยมันอยากเป็นใหญ่เป็นตก็อยากไปเป็นใหญ่เป็นโต ให้เป็นคนธรรมดาสามัญ น, นี่แหละพอแล้วความสุขมันไม่ต่างกันหรอกคนใหญ่คนโตคนธรรมดาสามัญคนใหญ่คนโตนี้กลับจะมีความทุกข์มากกว่าคนสามัญเพราะมีเรื่องมากที่จะต้องคอยวุ่นวายด้วยคนที่ไม่มีอะไรไม่มีตำแหน่งไม่มีอำนาจ น, นี้ไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่อยู่สบายสบายคนที่เป็นใหญ่เป็นโตนี่วุ่นวาย มีเรื่องมากมีปัญหามากให้คิดแบบนี้แล้วเราจะฝืนความอยากมีอยากเป็นได้แล้วเรามีอะไรแล้วถ้าจะสูญเสียก็ต้องสอนว่ามันเป็นธรรมดาเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนโลกของความโลกชั่วคราวสิ่งต่างๆาที่เราหามาได้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองอตาแหน่งอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็ต้องทิ้งมันหมดเดี๋ยวมันจะต้องจากเราไปหมดเพราะว่า ถ้ามันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันเพราะเดี๋ยวร่างกายเราก็ตายพอเราตายสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ก็หมดไปน่่งกายที่เรารักเราห่วก็ต้องหมดไปห้ามันไม่ได้หยุดมันไม่ได้ไปอยากก็จะทำให้เราทุกข์เปล่าๆจะทำให้เราต้องกลับมาหามันใหม่มาเกิดใหม่ถ้าเราไม่อยากเราจะทิ้งมันปล่อยวางมันมันจะไปก็ไป ถ้าปล่อยให้มันไปแล้วเราจะไม่กลับมาหามันอีกต่อไปนี่คือปัญญาที่จะสอนให้เรามาหยุดความอยากต่างๆจะหยุดได้เราต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังหยุดนั่นเองถ้าเราหยุดใจไม่ได้เราก็จะหยุดความอยากไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมาหยุดใจหยุดความคิดทำใจให้นิ่งทํทำใจให้สงบ สิ่งที่จะทําทใจใเราให้นิ่งให้สงบก็คือสตินี่เองเราต้องมีสติเราถึงจะสามารถทําใจให้นิ่งให้สงบได้วิธีที่จะทําทให้เรามีสติก็คือเราต้องเราเลิกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์เหยื่เพื่อยับยั้งความคิดต่างๆเช่นเราเลิกถึงคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะทําให้จิตนิ่งให้สงบได้เพราะจิตนิ่งจิตสงบเราก็จะมีความสุขขึ้นมาพอเราได้ความสุขจากความสงบมันก็จะทําให้เรามีกําลังฝืน้นความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากที่จะไปหาความสุขจากการเป็นใหญ่เป็นโตจากการร่ํารวยเอหรือความสุขจากการที่ คอยคุ้มครองรักษาสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ไม่ให้มันจากเราไปเราก็จะรู้ว่ามันทำไงก็ไม่สามารถที่จะรักษาความสุขต่างๆที่เราหามาได้เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวหามาได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปสู้ปล่อยมันดีกว่ามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะไปก็ปล่อยมันไป อย่าไปอยากให้มันอยู่แล้วอย่าไปอยากให้มันไม่จากเราแล้วใจเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่ต้องกลับมาหามันอีกต่อไปนี่คือวิธีหยุดความอยากต่างๆต้องหยุดด้วยการมีสติทำใจให้สงบแล้วก็เอาธรรมะเอาปัญญาของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มานะเดี๋ยวจะต้องจากเราไป อนัตตาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นสมบัติชั่วคราวถ้าเราไปอยากให้มันเป็นสมบัติท้าวรนเราจะต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้ไปหมดนี่คือปัญญาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาความอยากจะได้สิ่ ง, งต่างๆก็จะหมดไปกามตัญหาก็หมดไปภาวะตัญหาก็หมดไปวิภาวะตัญหาก็จะหมดไป พอความอยากต่างๆหมดไปจิตก็จะไม่มีอะไรดึงให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตก็จะบรรลุถึงพระนิพพานพรานิพพานก็คือจิตที่ปราศจากความอยากทั้งสามประการนี้ปราศจากกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาทั้งสามก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจิตก็จะ อยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปตลอดจิตไม่ได้หายไปไหนจิตก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่แบบมีความสุขอยู่แบบไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเองจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระสาวกทั้งหลายก็ยังอยู่เหมือนตอนที่ท่านมีร่างกายต่างตอนที่ว่าตอนนี้ท่านไม่ต้องมีร่างกายมาคอยวุ่นวายด้วยไม่ต้องมาทำมาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่ต้องมาทุกขกับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปอนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราได้ได้มีการกระทําการบูชาทั้งสองรูปแบบคืออเมธสบูชาให้เราล้อนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอเราล้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปเราก็จะรู้ว่าเราต้องปฏิบัติบูบชาเราก็ไปปฏิบัติบูบชากัน พอปฏบิบัติบูชาแล้วเราก็จะได้อริยมรรคอริยผลเราจะได้โลกิโลกุตตะลรัพเราก็จะได้พระนิพพานไดสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดออกจากกองทุก์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองนี่คือเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านจงนำมาใบพิจิตพิจารณาและปฏิบัต เพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปารโกลเนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกับปฏิอิติตังปฏิตังตุมหมังเกปะเมวะสะเมจโต สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยะามณิโชติราโสยะาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวะตอันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะ อัพิวาธนสิสษนิจังวุธาประจายโนจตาโรธมาวะทาติอยวนโนโสขังพาลางนำนักตอบปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาใครมีคําถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะจะไม่มีการถามหลังใหม่ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่ข้อความเขียนใส่กระดาษแล้วจะมีผู้อ่านคำถามให้ถ้าอยากจะถามเองก็เชิญขึ้นมาที่ศาลานี้แล้วจะมีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อจะได้ยินเสียงคำถามด้วยถ้าวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทางเฟ e บุ๊ k เข้ามาทั้งหมด281รอยปสิบเอ็ดคน y o u t u เจ็ดสิบเจ็ดคนวิทยุออนไลน์สาสิบหกคน พูดและฟังบนเขาถ้าสิบห้าคนรวมทั้งหมดสี่ร้อยแปดสิบเก้าคนครับผมอันนี้สัญญาณเสียเลยสัญญาณไม่ค่อยเสียนครับผมเห็นเปลี่ยนเครื่องหลายครั้งครับ u ูทเหรอครับ u t u b e เป็นที่ตัวโปรแกรมด้วยครับผมคือเปลี่ยนใช้ทั้งสามระบบก็ยังส่งสัญญาณออกข้างนอกไม่ได้ครับผมแต่ทาง a ฟ e b o o k ไม่ขาดใช่้หมเฟซบุ๊ไม่ขาดครับกับอิทิยก็ลับฟังได้ครับผม ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเสม อ, อ, อมีดีบ้างไม่ดีบ้างสามวันดีสี่วันไข้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราก็ต้องยอมรับกันเราก็จะไม่หงุดหงิดนำคาญใจถ้าเราอยากให้มันดีทุกวันเหมือนกันทุกวันพอมันไม่ได้เป็นมันก็จะทำให้เราไม่สบายใจยเราต้องปรับกับความจริง ความจริงมันยังไงก็เอามันอย่างนัน้นบางวันก็ไม่ขาดตอนเลยดีทุกอย่างทั้งเสียงทั้งภาพบางวันก็ขาดบ้างเสียงดีบ้างภาพไม่ดีบ้างสลับกันไปอันนี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเร า, าเรียกว่าอนัตตาถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นอนอัตตาเป็นของเรา อย่าไปอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราเสมอไปแล้วใจเราจะสบายกับเหตุการณ์ต่างๆดีก็สบายไม่ดีก็สบายเพราะเราทำอะไรไม่ได้มันเรื่องของมันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราไม่เดือดร้อนมันไม่ดีเราก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนมันดีมันก็ไม่ได้ทำให้เราดีใจเราเฉยดีกว่าความเฉยของใจนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งมีคาถามหม มีหนึ่งคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะจากคุณละลิดาค่ะบทสวดพุทธานุสติวิชาจรารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารนะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะออเราก็ไม่รู้หรอกต้องไปอ่านคําแปล์ดูวิชาก็ความรู้จารนะก็คื อ, อจัญญาบันการประพฤติต่างๆจารนะ คือความประพฤตททิสวยงามคนสมัยนี้บางทีจบด็อกเตอร์จะมีความรู้สูงแต่มารยาทยังไม่มีไม่มีจรณะพูดจาหยาบคายพูดปดพูดหลอกลวงทั้งๆทงี่มีความรู้มากอันนี้ไม่ใช่วิชาของพระพุทธศาสนานี้จะสอนให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการมี มารยาทที่ดีนี้เป็นสิ่งที่ถูกการมีไม่มีมารยาทนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกการมีศีลการไม่มีศีลนี่อันนี้จะเป็นวิชาทางพระพุทธศาสนาที่วิชาทางโลกเขาไม่สอนกันคนจบด็อกเตอร์ยังรักษาศีลห้าไม่ไม่เป็นเลยก็มีเยอะแยะไปถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ทางศาสนาก็คือว่าจิตใจยังไม่ได้เป็นมนุษย์ การจะเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์นี้ต้องรักษาศีลห้าได้เพราะมนุษย์กับเดรัจฉานต่างกันก็นกที่ศีลห้านี้เองเดรัจฉานเขาไม่มีศีลห้ามนุษย์นี้ต้องมีศีลห้าถึงจะเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลห้าก็เป็นแต่มนุษย์ทางร่างกายแต่จิตใจนี่ไปเป็นเดรัจฉานเสียแล้วถึงแม้จะมีวิชาระดับด็อกเตอร์ก็ ก็ไม่ได้ทำให้พ้นจากการเป็นเดรัจฉานเนี่คือวิชาทางาศาสนาเนี่ยมันเป็นวิชาที่สูงกว่าที่สอนให้คนเป็นคนสอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์แต่วิชาทางโลกนี้ไม่ได้สอนให้มนุษย์เป็นมนุษย์นี่ไม่ได้สอนให้มนุษย์เป็นเดรัจฉานเพราะยิ่งมีความรู้มากยิ่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากยิ่งชอบโกงมาก พอรู้รู้วิธีชอบโกงได้ง่ายขึ้นรู้ช่องทางการทรมากินแบบโกงเขาก็เลยเอาความรู้นี่มาทำให้ดึงจิตให้ตกต่ำจากการเป็นมนุษย์ให้ไปเป็นเดรัจฉานไปมีคำถามยังไหมยังไม่มียังไม่มีอ่ัญญานไม่ดีงไงไม่รู้หรือว่าคนฟังมาจนรู้หมดแล้วถ้ารู้หมดแล้วก็ดีถ้าไม่มีคำถามคนตอบก็จะได้สบาย เดี๋ยวจะนั่งรอคําถามไปก่อนนะเพราะว่าไม่อยากจะพูดมากเหนื่อยนั่งภาวนาไปพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมีคําถามก็ก็ถามมาถ้าไม่มีก็รอไปก่อนเดี๋ยวถ้าไม่มีมาสักครู่เองก็จะได้กลับบ้านกันกลับเห็นพระอาจารย์ครับพดุดีมีเหตุการณ์เมื่อเช้าครับผมเมื่อเช้าเดียวนั่ง นั่งรถไฟมาจากเสียชามาลงที่สถานีวัดยามพอดีช่วงระหว่างการนั่งรถไฟมาพอดีมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นก็คือมีคนกระโดดเข้ามาที่รถไฟเข้ากระโดดเข้ามาที่ทางรถไฟแล้วก็รถไฟก็เหยียบทับไปบ่าเช้านี้ก็คือช่วงที่ อ, อยู่ที่ขบวน ทุกคนเหมือนกับตอนตอนเดินมายังไม่มีเหตุการณ์ทุกคนเหมือนกับเฮฮาเหมือนกับมีความสุขมากในการในการที่ได้นั่งรถไฟมาแต่พอมีเหตุการณ์ปุ๊บเหมือนกับทุกคนที่อยู่ในขบวนกระวนกระวายแล้วก็บางคนซึมบางคนเศร้าแบบนี้ก็แล้วตัวเดี่ยวเองก็มันเป็นใจที่กระเพื่อมขึ้น พอพอเดินเดินเข้าไปดูใกล้ๆมันเหมือนกับมันตกใจแต่พอตกใจแล้วก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในในสิ่งที่เห็นคือแบบนี้เหมือนกับว่ายัางยังสติยังไม่พอที่จะอยู่ในเหตุการณ์ที่รับได้ใช่ไหมครับอ่ใจเรายังไม่เฉยพอจะเห็นการณ์สะเทือนใจก็ใจก็เลยสั่นขึ้นมาเราต้องฝึกสติฝึกปัญญาให้มากจนกระทั่ง จิตจะเฉยกับทุกเหตุการณ์ได้ถ้ามีสติมีปัญญาก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนตายกันอยู่ทุกวินาทีเพียงแต่เราไม่เห็นมันเราก็เลยคิดว่าไม่มีความตายพราะเราเป็นความตายใจเราก็สั่นขึ้นมาเพราะเราไม่ชอบความตายกันเพราะมันจะทาให้เราคิดว่าต่อไปร่างกายของเราก็จะต้องตายมันก็เลยทำให้เราใจสั่นสะเทือนขึ้นมาแต่ถ้าเราปฏิบัต อยู่เลยเราคอยควบคุมใจไม่ให้สัน่นแล้วสอนใจว่าความตายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนทุกเวลาแม้แต่ร่างกายเราสักวันหนึ่งก็จะต้องตายเหมือนกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วพอเราไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเกิดเจอความตายต่างๆไม่ว่าจะเป็นของใครเราก็จะเฉยได้ น, นี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติบูชาตอนนี้พวกเรายังไม่บูชากันอย่างเต็มร้อย บูชากันแบบน้อยละสิบร้อยละยี่สิบขอแบ่งเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นก่อนเนี่ยพอไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ใจก็ไหลสั่นขึ้นมาถ้าเราตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆให้มันเต็มร้อยเจ็ดวันเจ็ดเดือนมันก็ได้แล้วสําเร็จแล้วทีนี้ไปเจอเหตุการณ์ที่ไหนก็เฉยได้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกของอนิจจัง มีการเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้หยุดไม่ได้มีคำถามอีกไหมอ่สัญญาไม่มีเลยอ่าทางย t u ู e ไม่มีนะดูมันมีหลายช่องทางนะอ่าหายไปหมดเลย แล้วทางทางไลน์มีหรือเปล่าไม่มีหมมให้มีเลยเอให้มีก็ไม่ว่ากันไม่มีกั็รอสักพักถ้าไม่มีสักพักไม่มีก็กลับบ้านกันน อ, อสักท่านาทีถ้ายังไม่มีเข้ามาก็กคิดว่าวันนี้บทคําถามบท ห, หน้าที่ อันนี้ก็นั่งทําใจให้สงบไปสติพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปก็ได้เอาเวลาที่อยู่เฉยๆนี่มาทําประโยชน์อถ้าไม่ได้ปัญญาก็ขอให้ได้สมาธิก็ยังดีเวลาเนี้เราทําได้สองอย่างไม่สติก็ปัญญาถ้าเราจเจริญสติเราก็จะได้สมาธิถ้าเราได้ปัญญาเราก็จะได้ดับความทุกข์ใจได้ อติมีหน้าที่ทําใจให้สงบปัญญามีหน้าที่กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจตอนนี้มีคําถามเข้ามาจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณนิมิตเรียนถามพระอาจารย์ถ้าใส่บาตรทุกวันกับพระสงฆ์ที่เราไม่ก็ไม่ทราบว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่อย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ครับ ได้บุญทำบุญกับใครก็ได้บุญเหมือนกันเพราะบุญนี้คือการเสียสละไม่ใช่อยู่ที่ผู้รับว่าจะต้องเป็นคนอย่างนั้นหรือคนอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันบุญที่เกิดจากการให้นี้ไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับผู้ให้ว่าให้มากให้น้อยเพราะการให้นี้เหมือนกับการให้อาหารใจให้มากใจก็จะอิ่มมากสุขมากให้น้อยก็จะอิ่มน้อยสุขน้อย หน่อยกับการรับประทานอาหารกินข้าวจานหนึ่งกับกินข้าวสองจานอันยังไงจะอิ่มกว่ากันเอถ้าทําบุญน้อยก็จะได้บุญน้อยทําบุญมากก็จะได้บุญมากไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับผู้รับเป็นใครก็ได้จะทําบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ทําบุญกับเพื่อนก็ได้กับพี่กับน้องก็ได้กับคนที่เราไม่รู้จักก็ได้กับพระกับชีก็ได้เออ ได้ทำกับสัตว์เดราจฉานก็ได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ได้ปล่อยนอกปล่อยปลาก็ได้มันเป็นการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เราไม่อยู่ไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่เขาอยู่ที่ว่าเราเสียเท่าไหร่เสียมากก็ได้บุญมากเสียน้อยก็ได้บุญน้อยคําถามจากคุณสิปสิยาเจ้าค่ะ สมาธินี้ไม่จําเป็นต้องนั่งอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะมันไม่จําเป็นแต่มันไม่ได้ถ้าไม่นั่งมันจะไม่ได้สมาธิเพราะถ้านั่งกายยังไม่นิ่งใจมันจะนิ่งไม่ได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวนั่นเองถ้าต้องการให้ใจนิ่งด้วยก็ต้องทําให้ร่างกายนิ่งก่อนถ้าร่างกายเคลื่อนไหวใจก็ยังเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ใจก็จะไม่มีได้สมาธิได้อย่างมากก็สติ สามารถควบคุมความคิดให้คิดน้อยลงไปแต่ให้หยุดคิดอย่างถาวรนี่ไม่ได้อย่างเต็มที่ไม่ได้ต้องนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆแล้วมีสติกำกับใจใจก็จะหยุดคิดใจก็จะนิ่งสงบได้อย่างเต็มที่เป็นสมาธิขึ้นมาคำคำ ว, ว่าสมาธิก็คือความนิ่งสงบของใจคำถามจากคุณซูค่ะกาบเรียนถามค่ะ กรณีเรื่องรถไฟการวางเฉยแบบมีปัญหากับญญาวางเฉยแบบชินชาจะต่างกันอย่างไรคะขออภัยคะแบบปัญญาเจ้าค่ะอาจารย์ก็ชินชามันก็เคยเห็นอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมันไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้ามันไปแต่มันอาจจะไม่ชินชามันอาจจะไม่เฉยถ้าเวลาไปเห็นสิ่งที่เราลักจากเราไปก็ได้ แต่ถ้าเราอย่างเช่นเราเป็นคนเก็บศพเนี่ยเราไปเก็บศพคนที่เราไม่รู้จักทุกวันทุกวันเราก็อาจจะชินชาแต่พอเราต้องไปเก็บศพของคนที่เรารักเราอาจจะไม่ชินชาก็ได้เพราะว่าเรามียังมีความผูกพันอยู่เรายังไม่ได้มองด้วยปัญญาว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือไม่รักก็ต้องตายเหมือนกันคำถามจากคุณมาลีหอมคะ่ะ คนนับถือศาสนาต่างกันปรรทัดฐานความดีชั่วแต่ละศ า, าสนาต่างกันแล้วนรกสวรรค์หลังจากสิ้นชีวิตทีเดียวกันไหมเจ้าคะก็นรกสวรรค์มันก็เป็นผลที่เกิดจากการทำดีทำชั่วอะไงทำชั่วมากก็ได้นรกหนักนรกก็มีหลายระดับสวรรค์ก็มีหลายระดับ ทำดีมากก็ได้สวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปตามลำดับทำดีน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำทำบาปมากก็ได้ได้นรกหนักมากทำบาปน้อยก็ได้นรกเบามันไม่ได้อยู่กับศาสนามันเป็นกฎแห่งกรรมที่จะให้แก่จิตใจทุกดวงไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามมันอยู่ที่การกระทา บุญเป็นผลที่ทำให้เกิดสวรรค์ชั้นต่างๆบาปเป็นผลที่ทำให้เกิดอบายหรือนรกชั้นต่างๆไม่ได้อยู่ที่ศาสนาว่านับถือศาสนาไหนคำถามจากคุณแก้วคะ่ะอยากให้พระอาจารย์แนะนำการทำสมาธิให้สงบจิตแบบไม่วอกแวกคะ่ะก็ต้องมีสติไง ต้อควบคุมความคิดได้ต้องมีพุทธโธพุทธโธอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีพุทธโธอย่างต่อเนื่องสักห้านาทีสิบนาทีจิตเราก็สงบไม่วอกแวกได้ลองพุทธโธดูสักสิบนาทีดูสได้ไหมโดยที่ไม่ไปคิดอะไรไม่เผลอพุทธโธเลยอยู่กับพุทธโธไปสักสิบนาทีรับลองได้ว่าจิตจะสงบจะนิ่งจะไม่วอกแวกคํถาถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะขอากลาบเรียนถาม คนเราที่เกิดมาเป็นเนื้อคู่กันเขาทำบุญแบบไหนยังไงคะถึงได้มาเจอกันและได้ใช้ชีวิตร่วมกันและอยู่นานแค่ไหนถึงจะรู้ว่าเป็นเนื้อคู่กันขอพระคุณเจ้าค่ะก็ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนที่เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นน่ะที่ถึงจะรู้ว่าเป็นเนื้อคู่กันมีอดีตมาอย่างไรต้องระลึกชาติได้ถึงจะรู้ว่าเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า ถ้าราเลือกชาตไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อคู่หรือไม่เป็นเนื้อคู่จะเป็นไม่เป็นก็ไม่สำคัญเวลาอยู่ด้วยกันก็ขอให้รักกันมันก็ก็ใช้ได้เป็นเนื้อคู่แล้วอยู่ด้วยกันกัดกันก็อย่าเป็นเนื้อคู่กันดีกว่าคำถามจากคุณตัวตนกราบนมัสการเจ้าค่ะบางครั้งโยมก็ถือศีลแปดในวันพระแต่ถ้าเราไม่สบาย เราต้องกินยาหลังอาหารช่วงเย็นอย่างนี้เราก็ถือว่าถือสินแปดไม่ได้อีกใช่ไหมคะก็ถือสินเจ็ดไปก็ได้นี่ขาดข้อเดียวอย่าอย่าไปอย่าไปไม่ถือทั้งหมดเลยศินข้อไหนยังถือได้ก็ถือไปศิลข้อไหนยังถือไม่ได้ก็ยกเว้นไปก่อนเหมือนทําข้อสอบก็ให้เรามาทําข้อสอบมีแปดข้อพอเราทําข้อหนึ่งไม่ได้เราก็เลยไม่ทําอีกเจ็ดข้อ เราก็สอบตกเลยได้คะแนนศูนย์แถ้าเราทําไม่ได้ข้อนึงเราทําอีกเจ็ดข้อเราก็ยังได้ต้องเจ็ดข้อคําถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามเจ้าค่ะคุณแม่จะไปผ่าตัดตาแต่ดูกังวลมากจะพูดอย่างไรให้ท่านสบายใจดีเจ้าค่ะเพราะดูท่านท้อแท้กับสังขารเหลือเกินเจ้าค่ะก็บอกให้ท่านาทําสมาธิไป อย่าไปคิดถึงเรื่องตาเรื่องรักษาถึงเวลาก็ปล่อยให้หมอก็ททำไปจะหายไม่หายก็เป็นเรื่องของที่แม่ทำอะไรไม่ได้สิ่งที่แม่ทาจะทำได้ทำให้ใจแม่สบายก็คือทำใจให้สงบนะาพุทโธพุทโธไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปคิดถึงเรื่องการไปผ่าตัดถึงเวลาก็ไปเวลาผ่าตัดเราก็พุทโธพุทโธของเราไป ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องของตาตาเป็นเรื่องของหมอหมอเขาทำยงไงได้ก็ปล่อยเขาทำไปคาถามจากทางไลน์ค่ะกราบนรมมสการค่ะพระอาจารย์เวลาโยมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธไปได้ระยะหนึ่งจะรู้สึกเหมือนร่างกายเคลื่อนไหวขยับตัวไปมาได้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรเจ้าคะ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธไปอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติอยู่เรื่อยๆ่างกายจะไม่เคลื่อนไหวถ้าเรารู้สึกว่ามันเคลื่อนไหวก็อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุโทโธพุธโทโธต่อไปมันมเป็นอาการหลอกเราร่างกายมันไม่ได้เคลื่อนไหวแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเพียงแต่เราไปคิดเองว่ามันเคลื่อนไหวพระอาจารย์เจ้าคะหนูหนูก็เคยเป็นแบบนี้เจ้าค่ะหนูก็เลยทดสอบด้วยการที่เอาโทรศัพท์มือถือเราคะ่ะ ตั้งไว้ข้างหน้าแล้วก็เหมือนถ่ายวิดีโอไปด้วยหลังจากออกจากสมาธิมาก็กลับมาย้อนดูมันมันโยกโครนจริงๆนะคะอาจารย์โยกก็โยกสโยกก็แสดงว่าเราไม่มีสติอย่างนี้คือ<ม>เราต้องอยู่กับพุทธโธตลดอดใช่ไหมคะอยู่พุทธโธตลอดมันก็จะไม่โยกอย่างตอนที่เรานั่งคุยกันทําไมเราไม่โยกอะ่ะเพราะเรามีสติพอเรานั่งสมาธิเราไม่มีอะไรควบคุมใจมันก็โยก ถ้ามีสติแล้วมันโยกมันกล้า จ, จะเป็นความรู้สึกเท่านั้นเองอาจจะไม่โยกก็ได้ถ้าโยกก็ไม่ต้องไปสนใจให้เรากลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็จะหยุดโยกตอนแรกหนูก็นึกถึงคําพระอาจารย์ว่าไม่ต้องสนใจทีนี้ถ้าอยากรู้จริงๆก็ให้หาวิธีว่ามันโยกจริงหรือเปล่าหนูก็เลยลองทําอย่างนี้ดูค่ะพระอาจารย์แสดงว่าเราช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธใช่ไหมเจ้าคะ เ, เป็นวิธีที่ผิดนะเจ้าคะพระอาจารย์ป่าถูกค่ะ คำถามต่อไปจากคุณจ่าเอา๋ค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เรียนถามเจ้าค่ะการบวชพระเวลาที่ลาสิกขาจําเป็นต้องดูวันหรือเวลาหรือเปล่าเจ้าคะก็ต้องดูเวลาที่มันเหมาะสมทุกคนพร้อมที่จะมีความเกี่ยวข้องด้วยเช่นคนที่จะศึกเรา mm. เขาพร้อมหรือเปล่าไม่ต้องไปดูว่า เป็นดวงหรืออะไรอย่างงั้นให้ดูเ็าเรียกว่าเลิกสะดวกดูเลิกสะดวกคือความพร้อมไม่ใช่เลิกบอกว่าให้สึกตีสองนี้แล้วใครจะมาเตือนกันมาสึกกันมันก็ต้องดูว่าเวลาที่เหมาะสมไปไปสึกเวลาที่คนที่เขาจะมาสึกเราเขาต้องไปทำหน้าที่อย่างอื่นเช่นไปบินตะบาหรือไปฉันมันก็ไม่เหมาะ ก็ต้องดูเวลาที่สะดวก<ม>ก็เรียกว่าเลิกสะดวก<ม>แต่ไม่ต้องไปดูหมอดูว่าจะต้องกี่น้าทีตอนนั้นตรงนี้อะไรดวงชะตาของเราต้องศึกด้วยเลขหกหรือศึกด้วยเลขแปดอะไร อ, อย่าไปดูแบบนั้นให้ดูว่าคนที่จะมาทําหน้าที่พร้อมกันหรือเปล่าเลิกสะดวก<ม>คําถามจากคุณอนุชาค่ะเวลานั่งสมาธิ ขอพัยค่ะวิธีนั่งสมาธิสายหลวงตามหาบัวครับก็พุโทโธพุโทโธีถ้านั่งขัดสมาขวาขวาอะไรขวาขว า, าทับซ้ายนั่งตัวให้ตรงแล้วหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธจนกว่าจิตจะสงบคำถามจากทางเฟซบุ๊ k ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าค่อนข้างยาว เอาสรุปก็แล้วกันเดี๋ยวหนูขออนุญาตข้ามไปก่อนนะคะหดีสรุปให้ทีนะคะคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะถ้าเราทำให้คนอื่นเสียใจเสียความรู้สึกทางๆ ท, ที่จริงๆแล้วคนคนนั้นเขาจิตใจดีมากและเราก็รู้สึกผิดและเสียใจมากและทุกทรมานกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกเวรกรรมตามสนองไหมเจ้าคะ ที่เราต้องทุกทุกคนอยู่แบบนี้เจ้คาค่ะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละถ้ามันทุกข์เราก็ยึดดับมันก็แล้วกันที่ทุกข์ก็เพราะว่าเราไปอยากกับสิ่งต่างๆการพูดของคนนั้นคนนี้การกระทาของคนคนนี้ถ้าเราไม่ไปอยากเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าเราไปอยากให้เขาพูดอยู่แบบนี้พอเขาไม่พูดแบบนี้เราก็ทุกข์ดมงั้น ให้เรามาแก้ที่ความอยากของเราไม่ต้องกังวลว่าเป็นเวรกรรมหรือไม่เป็นเวรกรรมไม่มีใครรู้เราไม่มีการลัดเลือกชาติได้ไปย้อนหลังไม่ได้ก็ให้เราแก้ปัญหาที่ปัจจุบันนี้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราถ้าไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากของเราคาถามจากคุณฮอลลี่ค่ะกราบเรียนถามเจ้าค่ะเราควรจะวางใจอย่างไร หรือปฏิบัติเช่นไรเมื่อทําการช่วยเหลือบุคคลอื่นแต่ทําให้ตนเองเดือดร้อนจากการช่วยเหลือของบุคคล น, นั้นเจ้าค่ะเราก็ต้องวางใจเฉยวางอุเบกขาไปเมื่อช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องช่วยช่วยเขาแล้วเราตายอย่างนี้เราว่ายน้ําไม่เป็นเห็นคนจมน้ําเราก็ระโดดลงไปได้หรือเปล่ปาแต่กระโดดลงไปช่วยเขาเราก็จมน้ําไปกับเขาะ แล้วเราก็ต้องทําใจว่าเป็นกรรมของเขาก็แล้วกันที่มาเจอคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นอย่างเราถ้าเรากระโดดลงไปช่วยเขาเราก็จมไปกับเขาด้วยครับผมคําถามที่ยาวๆครับสรุปก็คือเหมือนกับ อ, อคนคนอญาติเขานะครับติดคุกเนื่องจากมีชื่อและหน้าตาคล้ายๆกันแต่เหมือนกับไปรับ ไปรับคดีแทนแทนคน อ, อ, อีกคนหนึ่งแล้วทีนี้ก็ติดคุก ม, มาเกือบสองปีแล้วแต่ก็เหมือนกับเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ว่าห่อเหี่ยวใจเหมือนกับรู้สึกอหดหู่อยู่ในทุกๆวันอย่างเงี้ยเขาเลยถามว่าจะมีวิธีไหนเพื่อที่จะวางเฉยได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับผมถือว่าเป็นกรรมของเขาก็แล้วกันถือว่าความชวยของเขาอืในทางกับกันเขาอาจจะถูกออสเตรเลียลงมันที่หนึ่ง มันก็เรื่องของเขาเองเขาถูก ล, ลอตเตอรี่กําลังวันที่หนึ่งเขาก็ไม่ได้เอาเงินมาให้เราเราไปดีใจก็เราก็ดีใจไปแค่นั้นเองเวลาเขาติดคุกเราก็ไปห่อเหี่ยวใจไปกับเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเราชอบไปยุ่งกับเรื่องของเขาเองทําไมนคนอื่นเราไม่ไปยุ่งด้วยเพราะคนอื่นถ้าเราไม่ไปยุ่งด้วยเราก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคนที่ติดคุกมีต้องเยอะแยะไปทําไมเราไม่ไปห่อเหี่ยวจิตใจไปกับเขาว่าให้หมด่ะ เพราะเราไม่รู้จักเขาเราไม่สนใจเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็ไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่เราเราไปยุ่งกับเขาเองไปอยากเองอยากให้เขาไม่ติดคุกเพราะเขาติดคุกเราก็เลยห่อเหี่ยวใจขึ้นมาถามต่อกรับนมาสการเจ้าค่ ะ, อะพอดีหนูภาวนามาสี่วันแล้วนะคะช่วงสี่วันนี้ค่ะมันมีช่วงที่ รู้สึกว่าตกจากที่สูงแล้วเหมือนอยู่ในภวังแต่แต่ช่วงที่ที่ที่อยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ได้ไม่นานในแต่ละครั้งอ่ะนะคะพอพอตกลงไปแล้วจะรู้สึกถึงว่าดิ่งลงไปเหมือนเราอยู่ใกล้กับต้นลมอะคะ่ะเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีลมออกมาแต่เราไม่รู้สึกเปนอัดรู้สึกได้ถึงความโล่งสบาย แต่มันเรามุดเข้าไปอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งแล้วเขาก็จะถอนตัวออกมาหนูก็จะดูต่อไปแล้วสักพักเขาก็จะเข้าไปอีกแต่ก็จะอยู่ได้ไม่นานอีอะคะ่ะหลวงพ่อไ ม, ม, ม่ก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเข้าไปแล้วมันก็จะถูกดันออกมาเพราะกําลังเข้าไปมันยังมีไม่มากพอมันมันมีพอที่จะให้มันเข้าไปได้แต่เข้าไปไม่ได้นานก็ฝึกสติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆ หนูจะต้องเจริญสติให้มากขึ้นทุกเวลาออกจากสมาธิก็จเจริญ ส, สติต่อไปอย่าปล่อยให้ใจลอยไปอดีตไปอนาคตอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับพุทธโธอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเจ่าค่ ะ, ะครั้งนี้สามารถที่จะมีมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นได้ถึงสามครั้งนั่นหมายถึงว่าหนูหนูมีสติเงี้ยมากขึ้นใช่ไหม แต่ยังไม่มากพอที่จะให้มันอยู่นานๆเราฝึกสติให้มากขึ้นเจ้าค่ะกราบสาธุคำถามเจา้า YouTube ครับผมการที่เราปลูกบ้านจำเป็นไหมต้องมีเลิกถือยามครับผมก็เล่ากันว่าช่างพร้อมหรือไม่วัดสดุก่อสร้างมีหรือไม่ก็ต้องมีเลิกสะดวกช่วงนี้น้ำท่วมอยู่ อ่ามันไปปลูกบ้านตอนที่มันน้ําท่วมมันก็ไม่ได้ก็ต้องรอเลิกสะดวกอย่าไปดูเลิกเลขเข้าใจมไหมอย่าไปดูว่าต้องเลขนั้นเลขนี้วันนั่นวันนี้ให้ดูที่เลขสะดวกว่าทุกอย่างพร้อมหรือเปล่าช่างพร้อมเงินพร้อมหรือเปล่าช่างพร้อมไม่เงินไม่พร้อมมันก็สร้างไม่ได้นะมันต้องพร้อมทุกอย่างสิ่งที่สิ่งที่จําเป็นจะต้องให้กันก่อสร้างเกิดขึ้นมันพร้อมก็นั่นแหละคือเลิกของเรา คำถามจากคุณอนุชาค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการนั่งสมาธินี้เวลาเราบริกรรมภาวนาพุโทโธนี้แล้วต้องประกอบบริกรรมนิมิตประกอบเป็นลมหายใจเข้าออกเหมือนอาณาปานสติได้หรือไม่ครับแล้วแต่เราแต่ควานจริงไม่ต้องหรอกให้อยู่กับพุโทโธคมเดียวก็พอมีอะไรมากมันก็จะยุ่งมากเราไม่จิตสงบยาก มีให้น้อยจิตจะได้สงบได้ง่ายลมอย่างเดียวหรือพุโทโธอย่างเดียวนี้มันจะดีถ้ามีหลายอย่างแล้วมันจะทำให้จิตต้องทำงานมากจะสงบยาก ค, าายาคำถามหมดมีอีกไหมไม่มีจะปิดประชมุมนะเลืสี่ น, นาทีคาถามจากทางไลน์ค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ว่าตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วดูลมไปเรื่อยๆจนลมแผ่วเบาและลมหายไปเราต้องดึงเราต้องดึงลมกลับมาหรือจะต้องทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะไม่ต้องดึงให้รู้เฉยๆลมเบาก็รู้ว่าเบาลมหมดก็รู้ว่าหมดไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมให้รู้ไปเฉยๆรู้ไปเรื่อยๆไม่มีลมก็รู้อยู่กับความว่างไป รู้ว่าเรากำลังคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็หยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบต่อไปการถามจากคุณเฮาลี่ค่ะกาบเตียนถามเจ้าค่ะระหว่างหน้าที่กับศีลธรรมโยมเรื่องศีลธรรมมากกว่าหน้าที่จึงทำให้มีความบกพร่องในหน้าที่การงานในทางโลกควรจะยึดพิจารณาอย่างไรเจ้าคะ เพื่อไม่ให้ผิดต่อศีลธรรมและการงานบกพ่องเจ้าค่ะก็หางานที่มันไม่ขัดกับศีลธรมรมซิงานไม่ขัดกับศีลธรรมเราก็สามารถทำหน้าที่ของเราได้เต็มที่ถาางานที่เราทำมันขัดกับศีลธรรมเราก็ทำไมา่ได้เต็มที่ก็ต้องเลือกงานที่มันไม่ขัดกับศีลธรรมแล้วเราก็จะได้ทำงานเต็มที่แล้วก็รักษาศีลได้อย่างเต็มที่หมดหรืยัง